ธรรมะคือศรัทธาศีลสุตะจาระคปัญญานี้บางแห่งเรียกว่าสัมปทาห้าบางแห่งเรียกซับห้าบางแห่งตัดสุดตะออกเหลือเพียงสี่เรียกว่าสัมปทาสี่ซึ่งแสดงว่าสี่อย่างนั้นเป็นองค์หลักหรือจำเป็นกว่าความหมายของธรรมะห้าประการนี้ มีพุทธพจน์ที่ยกมาอ้างในข้อที่ผ่านมาแสดงไว้ครบหมดแล้วพึงทบทวนดูได้เองอย่างไรก็ตามบางข้อพระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายในย่าอื่นแปลกออกไปบ้างก็มีจึงควรศึกษาประกอบความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งคือศรัทธา นอกจากแสดงในรูปของความเชื่อมัน่นด้วยปัญญาในพระรัตนตรยัยอย่างในโสตาปฏิยังคะมีอีกนัยยะหนึ่งที่ตรัสไว้บ่อยคือศรัท ธ, ธาสัมปทาเป็นชไหนในข้อนี้อริยาสาวกเป็นผู้มีศรัท ธ, ธาเชื่อโพธิคือปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต ละถึงตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพระผู้ทรงพระเจริญนอกจากที่มาในสัมปทาแล้วตถาคตโพธิสัตธายังมาในปทานิยังคะคือองค์ของผู้บันเพญเพียนและเป็นความหมายของสัตทินสีข้อที่สองคือศีล มีหลายแห่งที่ส่งแสดงความหมายอย่างง่ายๆเพียงว่าหมดเว้นจากปาณาติบาตจากอธินนาทานจากกาเมสุมิชาจารจากมุสาวาตจากสุราเมรยามัชชะปมาทฐานพูดง่ายๆว่าหมายถึงศีลห้าหรือเบญจศีลนั่นเองอาจจะตั้งเป็นข้อสังเกต ต, ตามข้อความแวดล้อมในที่มาต่างๆของพุทธพจน์ส่วนนี้พอจะกล่าวได้ว่า ความหมายของศรัทธาและศีลในยะนี้ส่งแสดงสำหรับอริยาสาวกระดับปุตุชนดังจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นจากพุทธพจน์ในตอนต่อๆไปสำหรับคำว่าอาริยาสาวกระดับปุตุชนอริยาสาวกะหรืออริยาสาวกแปลว่าสาวกผู้ทรงเป็นอริย มิใช่แปลว่าสาวกผู้เป็นอริยะข้อที่สามคือสุตตะนอกจากความหมายที่ว่าได้พบเห็นอริยชนสัพพุริสชนได้ฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรมในสัพพุริสธรรมอย่างข้างต้นแล้วท่านแสดงว่าอีกดังนี้ ซับคือสุดตะเป็นชไหนในข้อนี้อริยาสาวกเป็นพระหูสูตรคือมีสุดตะมากทรงสุดตะเป็นที่สังสมสุดตะธรรมะเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศหลักการครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์หรือพรหมจริยะหรือจริยธรรมอันประเสริฐพร้อมทั้งอัฏฐะ พร้อมท้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเธอเรียนสะดับธรรมะอย่างนั้นไว้ได้มากทรงจำไว้คล่องปากเจนใจเข้าใจตลอดดีด้วยทิฏฐิคือเป็นปัญญาระดับเหตุผลข้อที่สคือจาระคตามปกติไม่มีแปลกจากที่แสดงมาแล้ว ส่วนข้อที่5คือปัญญานอกจากมาในรูปของความเข้าใจอริยญายธรรมคือปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านมาสแสดงในความหมายง่ายๆสั้นๆที่ใช้กับอริยสาวกระดับปุตุชนได้ด้วยดังนี้ซับคือปัญญาเป็นไนะในข้อนี้อริยสาวกเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่ยังถึงความเกิดขึ้น และความเสื่อมสิ้นไปอันเป็นอริยะทะลวงกิเลสได้อันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบจากอังกุตระนิกายปัญจการนิบาตเรียกว่าสัมปทาในอังกุตระนิกายอัตการนิบาตเรียกว่าห่วงบุญในสังยุตรนิกายมหาวารวักคำว่า อย่างถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปมาจากบาลีว่าอุทยตถาคามินิยาแปลง่ายๆว่ารู้เท่าทันความเจริญและความเสื่อมทะลวงกิเลสได้แปลจากบาลีว่านิเพติกาแปลอีกอย่างว่าเจาะสัจธรรมได้ ความหมายของปัญญายังมีตรัสไว้อีกนัยยะหนึ่งซึ่งน่าสนใจนำมาแสดงไว้ดังนี้ปัญญาสัมปทาเป็นไนคนมีใจถูกอภิชาความโลภกล้าครอบงำถูกพยาบาทครอบงำถูกทินามิทาครอบงำถูกอุทจักกุกจะครอบงำถูกวิจิกิจชาครอบงำแล้วยอมทำสิ่งที่ไม่ควรทำย่อมทำกิจให้คลาเสีย เมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำกิจให้คลาเสียก็ย่อมพลาดจากยศและความสุขอริยาสาวกนั่นแหละรู้ว่าอภิชาความโลภกล้าพยาบาททินมิทาอุทจักกุตกุจาวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลตของจิตคือสิ่งที่ทำจิตให้ฝ้ามัวเศร้าหมองจึงละอภิชาความโลภกล้าจนถึงละวิจิกิจฉา ที่เป็นอุปกิเลส ข, ของจิตเสียเพราะการที่อริยาสาวกรู้ว่าอภิชาความโลภกล้าพยาบาททีนามิธาอุทจักกุตกุจาวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสแล้วลาเสียดายจึงเรียกอริยาสาวกนี้ว่าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมองเห็นทางมาของประโยชน์เป็นผู้เพียรพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่า ปัญญาสัมปทาพุทธพจน์นี้ใจความก็คือการใช้ความคิดโดยไม่ถูกนิวรห้าอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำมีบาลีแห่งหนึ่งแจงคุณสมบัติของพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไปอีกแบบหนึ่งเป็นหกข้อ ว่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายตับูสากเครือหบดีแล้วรวมถึงอุบาโสอื่นอีกยี่สิบท่านประกอบด้วยธรรมะหกประการจึงเป็นพูดถึงความแน่ใจในตถาคตมองเห็นอมตะประจักษ์แจ้งอมตะธรรมดาเนินชีวิตอยู่กล่าวคือประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมในพระสงฆ์อริยศีลอริยญาณอริยวิมุตติ